วันนี้เป็นวันพุทธที่สิบหกสิงหาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบหกเป็นวันที่พระพุทธเจ้าได้สรงรับสั่งให้ชาวพุทธเราหยุดพัก การทำงานทำการทำภารกิจทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องหนึ่งวั น, หนให้เอาวันหยุดการทำงานมาทำคุณทำประโยชน์ให้กับจิตใจ ที่มีความสำคัญยิ่งกว่าร่างกายร่างกายนี่ก็ได้รับการดูแลอาทิตย์ละห้าหกวันด้วยกันคือการไปทรมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องอันนี้เป็นการ ดูแลร่างกายให้อยู่อย่างสุขสบาย <c oughs> ปราศจากความทุกข์ยากลำบากต่างๆแต่การทำอาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงเท้งนี้ไม่ได้ไปทำประโยชน์ให้กับจิตใจได้อย่างใดจิตใจนี้ ต้องการสิ่งที่ไม่เหมือนกับที่ร่างกายต้องการร่างกายต้องการปัจจัยสี่ต้องการอาหารเครื่องนุ่งหม่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคร่างกายถึงจะอยู่ได้อย่างสุขอย่างสบายแต่ใจนี้ ต้องการธรรมะต้องการคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าและการปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อที่จะสร้างความสุขสร้างความสบายให้กับใจใจต้องการธรรมะ คือการปฏิบัติสิ่งที่จะทำให้เกิดคุณประโยชน์กับจิตใจ<ม>เช่นการทำบุญทำทานการรักษาศีล<ม>การบำเพ็ญจิตตภาวนานี่คือสิ่งที่จิตใจต้องการเพื่อที่จะทำให้จิตใจ นี้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขปราศจากความทุกข์ปราศจากความวุ่นวายต่างๆะะาก า, า, าๆระะากที่จะทำประโยชน์หาสิ่งที่ต้องการให้กับจิตใจได้ก็จำเป็นที่จะต้องหยุดภารกิจ การทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเพราะเป็นงานคนละชนิดกันงานเลี้ยงปากเลี้ยงท้องนี้ต้องออกไปทำงานไปขายของไปซื้อของไปทำธุรกิจต่างๆถึงจะได้มีรายได้เข้ามาซื้ออาหารเครื่องนุ่งหม่มที่อยู่อาศัย และยารักษาโรคแต่สิ่งที่ใจต้องการนี้เป็นการปฏิบัติทานศีลภาวนาเป็นงานคนละชนิดกันจึงต้องมีการแยกเพราะทำร่วมกันไม่ได้ทำร่วมกันแล้วมันจะไม่ได้ประโยชน์เท่าที่ควร ก็เลยต้องแยกงานกันงานทางร่างกายก็เราก็แบ่งไปส่วนหนึ่งงานทางจิตใจเราก็แบ่งมาส่วนหนึ่งในเบื้องต้นนี้พระพุทธเจ้าส่งให้พวกเราเอาเวลาหนึ่งวันต่ออาทิตย์มาให้กับการทำงานทางด้านจิตใจ มาหาความสุขความสบายให้กับจิตใจหนึ่งวันอันนี้เป็นขั้นเริ่มต้นก่อนให้เราได้สัมผัสกับผลที่ดีที่งามที่จะทำให้เรามีความนน่มเย็นเป็นสุขทางด้านจิตใจไม่วุ่นวายไม่เครียดไม่ทุกข์กับเรื่องราวต่างๆ ให้เริ่มต้นที่อาทิตย์ละหนึ่งวันก่อนที่เราเรียกว่าวันพระอาทิตย์หนึ่งเราจะมีวันพระหนึ่งครั้งส่วนอีกหวันนี้ก็เอาไปทําเรื่องของทางร่างกายไปก่อนเพราะเรายังอาจจะไม่เห็นคุณประโยชน์ของการ หาความสุขความสบายให้แก่จิตใจว่ามีคุณค่าอย่างไรเลยให้เรามาลองทำกันสักหนึ่งวัน<ม>แล้วก็พอเราได้ทำแล้วพอเราได้สัมผัสกับความสุขใจที่เกิดจากการปฏิบัติ ทำตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้ว <_ d ata> เราก็า <_ d ata> เราก็า จ, จะมีฉันทาวิริยะจิตตะวิมังสา <_ d ata> คือมีกำลังใจมีความยินดีที่อยากจะหาความสุขให้กับใจเพิ่มมากขึ้น พอเมื่อได้เปรียบเทียบความสุขที่ได้จากร่างกายกับความสุขที่ได้จากใจแล้วมันต่างกันเหมือนฟ้ากับดินความสุขทางร่างกายนี้เป็นความสุขที่คุกเข้าไปด้วยกับความวิตกกังวลความเครียดความวุ่นวายใจต่างๆ แต่ความสุขทางใจนี้เป็นความสุขที่เย็นที่สบายที่ไม่มีเรื่องวุ่นวายเรื่องของความเครียดต่างๆเข้ามารบกวนใจถ้าเราได้ลองสัมผัสกับผลที่เกิดจากการปฏิบัติภารกิจทางใจแล้วเราก็จะเห็นคุณค่าเห็น เห็นคุณประโยชน์ของการปฏิบัติเพื่อให้จิตใจมีความสงบร่มเย็นเป็นสุขเราก็จะเกิดความยินดีฉันทะความยินดีที่จะปฏิบัติให้มากขึ้นทำให้มากขึ้นเพราะความสุขใจนี้มันเหนือกว่าความสุขทางร่างกาย แลนะถ้าเราศึกษาไปเรื่อยๆปฏิบัติไปเรื่อยๆเราจะรู้ว่าความสุขทางใจนี่แหละเป็นความสุขที่แท้จริงเป็นความสุขที่ยาวนานที่ยั่งยืนกว่าความสุขทางร่างกายความสุขทางร่างกายนี้ก็จะมีขอบมีเขตเพราะอายุไขของร่างกายนี้ก็มีขอบมีเขต ไม่สามารถอยู่ในโลกนี้ไปได้ตลอดจะต้องมีวันสิ้นสุดลงวันใดวันหนึ่งแต่จิตใจนี้เป็นสิ่งที่ไม่ตายไม่มีวันตายแล้วก็ความสุขที่เราสร้างให้กับจิตใจนี้มันก็จะอยู่ไปกับใจต่อไปหลังจากที่ร่างกายตายไปแล้ว แล้วถ้าเราสามารถปฏิบัติทมถึงขั้นสูงสุดได้ความสุขใจนี้ก็จะเป็นความสุขที่เต็มร้อยเป็นความสุขที่เรียกว่าบรมมะสุขเป็นความสุขที่ไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันหมดแลวก็เป็นความสุขที่ไม่ต้องคอยเติมเหมือนกับความสุขทางร่างกาย ที่เราต้องคอยเติมอยู่เรื่ อ, อ, อยๆเวลาดที่เราไม่เติมความสุขให้ทง้งกับทางร่างกายก็จะเกิดความทุกข์ต่างๆขึ้นมาแต่ความสุขทางใจนี้เมื่อเราเติมได้เต็มร้อยแล้วมันก็จะไม่มีวันพร่องต่อไปอมันจะเต็มร้อยอยู่อย่งนั้นไปเรื่อยๆที่เราเรียกว่าบาลมสุขบาลมังสุขขัง อันนี้คือเวลาที่จิตได้ปฏิบัติจงขั้นสูงสุดได้สัมผัสกับความสุขที่ไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันหมดนี่คือความแตกต่างของความสุขทางกายและความสุขทางจิตใจถ้าเราไม่มีวันเวลา ให้กับการปฏิบัติเพื่อสร้างความสุขทางจิตใจเราจะไม่เห็นคุณค่าของการศึกษาและของการปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็จะไปหลงไหลกับการหาความสุขทางร่างกาย ทางตาหูจมูกลิ้นกายทางรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพัชชนิดต่างๆที่ให้ความสุขกับเราให้ความเพลิดเพลินกับเราแต่ก็จะเป็นที่ให้ความทุกข์กับเราเวลาที่เราไม่สามารถที่จะหาความสุขผ่านทางร่างกายได้เช่นเวลาที่เราเจ็บไข้ได้ป่วย หรือเวลาที่เราขาดทรัพย์ขาดเงินทองเพราะความสุขทางร่างกายนี้ต้องมีทรัพย์ต้องมีเงินทองไปซื้อมาเสรถ้าไม่มีเงินทองหรือร่างกายบกคล่องไม่สบายหรือพิกลพิการการจะหาความสุขผ่านทางร่างกายนี้มันก็จะเป็นไปไม่ได้ พอมันไม่สามารถหาความสุขผ่านทางร่างกายได้มันก็จะเครียดมันก็จะทุกข์มันก็จะเศร้าแลวเกิดอาการซึมเศร้าขึ้นมาคนที่มีอาการซึมเศร้าก็เพราะว่าเขาไม่สามารถหาความสุขผ่านทางร่างกายได้เพราะอาจจะเป็นเพราะว่าร่างกายเขา บ, บกพร่อง เป็นโรคภัยไข้เจ็บหรือมีอาการพิกลพิกา ร, รเป็นอามาพตะอามภายอย่างนี้การที่จะหาความสุขผ่านทางร่างกายนี้ก็จะเป็นไปไม่ได้หรืออาจจะเป็นเพราะว่าไม่มีเงินทองอเพราะความสุขทางร่างกายนี้ต้องใช้เงินทองอไปซื้อไปหามา ไม่มีเงินไม่มีทองก็ไม่สามารถที่จะไปหาซื้อความสุขต่างๆได้ใจก็จะเศร้ากลาใจก็จะเหงาเป็นกายเป็นคนซึมเศร้าไปได้และก็อาจจะเป็นกายเป็นคนคิดสั้นก็ได้เมื่ออยู่ไปแล้วมันไม่มีความสุขมันก็เห็นว่าไม่รู้จะอยู่ไปทำไม สู้หนีความซึมเศร้าหนีควา ม, มหงอยหงาอันนี้ไปด้วยการฆ่าตัวตายดีกว่าแต่การฆ่าตัวตายฆ่าร่างกายนี้ก็ไม่ได้เป็นการแก้ปัญหาเพราะว่าตัวปัญหาไม่ได้อยู่ที่ร่างกายตัวปัญหาอยู่ที่ใจที่ไปหลงหาความสุขผ่านทางร่างกาย แล้วพอไม่สามารถหาความสุขผ่านทางร่างกายได้ก็จะเกิดอาการซึมเศร้าอาการหงอยเหงาขึ้นมาเกิดอาการไม่มีความสุขมีแต่ความทุกข์<ม>ก็เลยไม่มไ ม, ม่ไม่คิดที่อยากจะอยู่<ม>วิธีที่จะแก้ปัญหา อ, อาการซึมเศร้าอาการคิดสศร้า น, นี้ก็คือต้องรู้จักวิธีหาความสุขทางใจ ที่สามารถถ้าถ้าหาถ้าหาเป็นแล้วทำเป็นแล้วจะสามารถมีความสุขได้ถึงแม้ว่าจะไม่มีเงินมีทองเพราะความสุขทางใจนี้ไม่จำเป็นจะต้องใช้เงินใช้ทองไปซื้อไปหามาแล้วก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมีร่างกายไม่มีร่างกายหรือที่แข็งแรงไม่มีร่างกายที่ สมบูรณ์เช่นร่างกายถ้าเป็นอะไรไปเจ็บไข้ได้ป่วยพิกลพิการก็ยังสามารถหาความสุขทางใจได้อยู่วิธีที่เราจะป้องกันหรือกแก้ความซึมเศร้าแก้อาการคิดสั้นฆ่าตัวตายนี้ก็คือเราต้องมา <c oughs> มาหาความสุขทางใจกันเพราะถ้าเรามีความสุขทางใจแล้ว<ม>อาการซึมเศร้านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้<ม>อาการหวใเหเงาจะเกิดขึ้นไม่ได้เพราะใจของเรามีความสุข<ม>แล้วความสุขของใจนี้ไม่ต้องอาศัยร่างกายมไม่ต้องอาศัยเงินทอง<ม>ยิ่งไม่มีเงินทองยิ่งดีใหญ่ การมีเงินมีทองนี้สำหรับการหาความสุขทางใจนี้จะกลายเป็นอุปสรรคได้เพราะเมื่อมีเงินมีทองก็ยังอยากจะเอาเงินทองไปซื้อความสุขทางตาหูจมูกนิ้กายก็เลยท่าทำให้ยังไม่ให้ความสำคัญกับการที่จะมาหาความสุขทางใจกัน แล้วพอเงินทองหมดแล้วเริ่มเกิดความทุกข์เกิดความซึมเศร้าขึ้นมาถึงจะคิดมาหาความสุขทางใจตอนนั้นมันอาจจะสายเกินไปเพราะว่าเกิดอาการเศร้ามากๆนี่มันไม่มีกจิตกระจยที่จะมาสร้างความสุขทางใจได้เนี่ยนี่แหละคือถ้าเราต้องการ สร้างความสุขทางใจนี้เราต้อง<ม>ปิดกั้นการใช้เงินทองเพื่อไปซื้อความสุขทางทางร่างกายทางตาหูจมูกนิ้นกายด้วยการเอาเงินทองนี้ไปซื้อความสุขทางใจได้ความสุขทางใจนี้ก็สามารถซื้อเงินทองได้ถ้ามีเงินทองก็สามารถเอาไปซื้อความสุขทางใจได้ ซึ่งเป็นความสุขทั้งที่ดีกว่าความสุขทางร่างกายเพราะว่าเป็นความสุขที่จะไม่ทำให้เกิดอาการซึมเศร้า mm hmm. เวลาที่ไม่สามารถมีเงินทอง mm hmm. ไปซื้อความสุขทางใจได้ mm hmm. การใช้เงินทองซื้อความสุขทางใจนี่ก็คือการ mm hmm. ทำบุญให้ทานต่างๆนี่เอง mm hmm. าการเวลาเราเอาเงินทองนี้ไปทำ ทำบุญทำทานนี้ไปทําคุณทำประโยชน์ให้กับผู้ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามจะเป็นทางพระสงฆ์องค์เจ้าทางวัดวาอารามหรือทางโรงเรียนทางโรงพยาบาลทางสถานสงฆข้อต่างๆหรือการให้ความสุขกับสัตว์เดื้อฉ า, าน ปล่อยนก ป, ปลาถ่ายวัวถ่ายควายถ่ายชีวิตวัวควาย<ม>อะไรก็แล้วแต่ช่วยเหลือคนยากคนจนคนที่เขาตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อน<ม>หรือคนที่ช่วยตัวเองไม่ได้เ<ม>ชาา่นคนชราคนพิการอย่างนี้ก<ม><ม>ารได้ทําประโยชน์ให้แก่ผู้นี้มันจะทําให้เกิดความสุขทางใจขึ้นมาได้ อันนี้พูดถึงในกรณีของผู้ที่มีเงินมีทองแล้วมักจะอยากจะเอาเงินทองนี้ไปซื้อความสุขผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายอย่าเอาเงินทองไปซื้อความสุขแบบนี้เพราะมันจะเป็นปัญหาเวลาไม่มีเงินทองที่จะซื้อมันจะนําไปสู่ความซึมเศร้าสู่ความทุกข์ ความเครียดได้ถ้าอยากจะใช้เงินทองเพื่อให้มีความสุขทางใจเอาไปทําบุญทําทานได้ทําแล้วใจจะมีความสุขและเวลาไม่มีเงินทองทําบุญทําทานใจก็จะไม่เครียดใจก็จะไม่ซึมเศร้าจะไม่รู้สึกเหงาไม่รู้สึกว่าวิเพราะว่าบุญที่ได้ทำเอาไว้ มันก็ยังมีสะสมอยู่ในใจมันยังทำให้ใจรู้สึกมีความสุขไม่รู้สึกขาดขาดความสุขไม่ได้ทำให้ใจซึมเศร้าและไม่ได้ทำให้ใจคิดอยากจะฆ่าตัว ต, วตายตนี่คือทำไมเราถึงต้องทำบุญทำทานกันการทำบุญทำทานนี้ก็เพื่อที่จะ เอาเงินทองที่เราจะไปซื้อความสุขจากรูปเสียงกดลิ่นรสผลิภัณฑ์ชนิดต่างๆนี้ซึ่งเป็นความสุขที่ไม่ยั่งยืนแล้วก็เป็นเหมือนกับเป็นการเสพยาเสพติดเมื่อเสพแล้วมันจะติดติดรูปเสียงกด ล, ดลิ่นรสเวลาที่มันไม่ได้เสพมันจะทุกข์มันจะเศร้า น, น อย่าไปใช้เงินทองเพื่อไปหาซื้อความสุขแบบนี้เพราะมันเป็นความสุขแบบยาเสพติดเราคงจะเห็นคนที่เสพ ย, ยาเสพติดว่าเวลาเขาไม่มีเงินทองที่จะไปซื้อยาเสพติดมาเสษนี้เขาจะเป็นอย่างไรเขาจะทุกขทรมานมากแล้วก็อาจจะทําให้เขาต้องไปทําบาปทํากรรม เพื่อที่จะได้ไปมีเงินทองไปซื้อยาเสพติดมาเสพเนี่ยคนที่ใช้เงินทองเสพรูปเสียงจิตลดผลพภะคนที่หาความสุขผ่านทางร่างกายด้วยเงินทองนี้ก็เป็นแบบคนยาติดยาเสพติดนี่มันมันเมื่อมันเสพแล้วมันจะติดติดรูปเสียงกิตลดผลพภะติดดูติดฟังติดกินติดเด ไปเที่ยวตามสถานบันเทิงต่างๆตามสถานที่เที่ยวต่างๆไปเท่าไหร่กี่ครั้งก็ไม่อิ่มไม่พอต้องไปอยู่เรื่อยๆไปจนกว่าสังขารไปไม่ไหวเรื่องเงินทองไม่มีพอไม่ได้ไปทีนี้ก็เกิดความเศร้าเกิดความเหงาต้องอยู่บ้านอย่างนี้มันก็จะทําให้เกิดความซึมเศร้าขึ้นมา แล้วก็เกิดความคิดสั้นขึ้นมาได้ดังนั้นถ้าเราจะเอาเงินที่เรามีอยู่นี้ไปใช้กับการหาความสุขทางตางหูจมูกนิ้นกายเราต้องพยายามหยุดมันแล้วเอาเงินมาซื้อความสุขทางใจด้วยการทำบุญ ท, ทาทานกับบุคคลต่างๆไม่จาเป็นที่ว่าจะต้องทาบุญกับวัดเพียงอย่างเดียวถึงจะได้บุญได้ความสุขใจ แต่ถ้าเราเป็นชาวพุทธเราก็ต้องทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาก่อนเพราะว่าพระพุทธศาสนานี้เป็นที่พึ่งทางใจของพวกเรานั่นเองเป็นที่จะให้เราได้มาสร้างความสุขทางใจกันถ้าไม่มีวัดไม่มีวานี้จะลําบากในการหาความสุขทางใจเพราะการสร้างความสุขทางใจนี้ต้องมีสถานที่ ที่เพื่อเฟื้อต่อการทำความสงบทางใจความสุขทางใจเกิดจากการทำใจให้สงบนี่แต่ถ้าใจอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยของที่มากระตุน้นให้ใจนี้เกิดกิเลสเกิดตัณหาเกิดความโลภเกิดความอยากต่างๆขึ้นมาจะทำให้การทำใจให้สงบให้เกิดความสุขขึ้นมานี้ เป็นไปได้ยากเราเลยต้องอาศัยไปปฏิบัติธรรมตามวัดต่างๆเมื่อเราต้องใช้สถานที่ของทางวัดเพื่อปฏิบัติธรรมเราก็ต้องทํานุบำรุงวัดว า, ารามต่างๆให้อยู่ไว้เป็นที่รับใช้เราถ้าเราไม่ทํานุบำรุงพระพุทธศาสนา ต่อไปเราก็า จ, จะไม่มีวัดว่าอารไารไม่มีสถานที่ศึกษาไม่มีสถานที่ปฏิบัติธรรมเราก็จะไม่รู้ว่าเราจะไปหาความสุขทางใจได้อย่างไรไม่มีคนสอนไม่มีที่สร้างความสุขทางใจไม่มีที่สงบเราก็จะไม่มีที่พึ่งอันสำคัญของใจไปแล้วเราก็ต้องมาพึ่ง ทางความสุขทางร่างกายซึ่งไม่ช้าก็เร็วมันก็จะต้องมีปัญหาขึ้นมาเพราะร่างกายก็เป็นของไม่เที่ยวไม่แน่นอนสวันดีสี่วันไข้แล้วก็เงินทองก็เป็นของไม่มไม่แน่นอนบางทีก็มาบางทีก็ไม่มาบางทีก็มีแต่ไปไม่มีมาเพราะรายจ่ายนี้มันไม่มีวันหยุดน แต่รายรับนี่มันมีวันหยุดบางทีมันก็ไม่มาแต่รายจ่ายนี้มันต้องจ่ายทุกวันเพราะมันมีค่าใช้จ่ายที่จําเป็นจะต้องใช้อยู่เป็นประจําอยู่แล้วดังนั้นการทําบุญทำทานนี้สําหรับชาวพุทธเหล่านี้ <c oughs> เราก็จะเน้นไปที่วัดวารามที่พระพุทธศาสนาเป็น <c oughs> เป็นเบื้องต้นลองจาก การทำบุญทำทานกับพ่อแม่ของเราก่อนทำบุญทำทานดูแลพ่อแม่ผู้ย่าตายายผู้มีพระคุณกับชีวิตของเราก่อน mm hmm. นี่คือบุคคลถ้าเราอยากจะทำบุญทำทานให้คิดถึงบุคคลสำคัญนะของเราก่อนบุคคลสำคัญเบื้องต้นก็คือบิดามารดาผู้ย่าตายายท่านเป็นผู้ที่เลี้ยงดูเรามาให้กำเนิดเรามา ไม่มีปู่ย่าตายายก็จะไม่มีพ่อไม่มีแม่ไม่มีพ่อไม่มีแม่ก็จะไม่มีเราไม่มีร่างกายของเราพ่อแม่เลียงดูเรามาด้วยความทุกข์ยากลําบากอดทนอดกั้นเพื่อที่ให้ลูกได้มีความสุขอยู่อย่างมีความสุขให้เจริญตอบโตให้มีความรู้ความฉลาด ส่งไปเรียนหนังสืออะไรต่างๆเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างให้กับลูกเต้าพอลูกเต้าสามารถเลี้ยงดูตัวเองได้สามารถเลี้ยงดูคนอื่นได้ก็ควรจะรู้จักการทดแทนบุญคุณให้กับผู้ที่มีพระคุณเช่นบิดามารดาถ้ามีปู่ย่าตายายยังมีชีวิตอยู่ยังต้องการความดูแลต้องการความช่วยเหลือก็ต้องถือว่าเป็นหน้าที่ของเรา ถ้าเราอยากจะทำบุญอยากจะใช้เงินให้เป็นคุณเป็นประโยชน์กับเราและกับผู้ที่ผู้ที่ร่บเงินทองจากเราเนี่ย <Yeah. S 1> ก็ให้ไปทำบุญกับผู้ที่มีพระคุณกับเราก่อน <Yeah. S 1> พอ พ, พอเราได้ดูแลผู้ที่มีพระคุณอย่างดีแล้วท่านอยู่อย่างสุขสบายแล้ว <Okay. S 1> ถ้าเรายังอยากจะทำบุญต่ออยากจะทำบุญเพิ่มเราก็ไปทำบุญกับพระพุทธศาสนา เพื่อที่เราจะได้มีวัดมีสถานที่ไปศึกษาไปปฏิบัติธรรมไปสร้างความสุขทางใจกันนั่นเองเพราะถ้าเราไม่มีวัดวาอารามมีไม่มีพระพุทธศาสนาเนเราจะไม่มีที่พึ่งทางใจเราจะไม่มีพระมาสั่งมาสอนวิธีการสร้างความสุขทางใจให้กับเราและเราก็จะไม่มีสถานที่ที่เราจะได้ไป ปฏิบัติสร้างความสุขทางใจ mm hmm. ดังนั้นการทำบุญทาทานของเราหลังจากที่เราได้ดูแลพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเราดีแล้วถ้าเรายังมีเงินทองอยู่ mm hmm. ก็เอามาทำบุญ mm hmm. ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาเ mm hmm. ช่นพระสง์องค์เจ้าท่านก็จะต้องอาศัยปัจจัยส mm ี hmm. ่เราก็เลยต้องมีการทำบุญใส่บาตรกัน mm hmm. แล้วก็ถึงหน้าที่จะถวายผ้าผ้าป่าหรือผ้ากระถินนล้วก็ถวายกันเพราะผ้านี้ก็เป็นเครื่องรือห่ ม, หมแล้วก็อาจจะถวายเงินทองไว้เป็นกองทุนสำหรับรักษาพยาบาลพระภิกษุเวลาที่เกิดอาการป่วยไข้ล้วก็ทำบุญให้กับค่าใช้ใจ่ายต่างๆของทางวัน ทางวัดก็มีค่าใช้ใจ่ายที่จะต้องใช้ค่าน้ำค่าไฟค่าการดูแลรักษาสถานที่อาคารต่างๆให้อยู่ในสภาพที่ใช้ได้ดีไม่ชำรุดทุกโทรก็มีค่าใช้ใจ่ายต่างๆที่เราสามารถที่จะบริจาคให้กับทางวัดได้บางวัดท่านก็มีแบ่งเป็นตู้ต ค่าน้ำค่าไฟค่าจ่ายค่าชาระหนี้สงหนี้สงก็คือหนี้ ท, ที่ที่สงไปสร้างขึ้นมาไงก็คือค่าน้ำเวลาไปใช้ไฟฟ้าก็เป็นหนี้กับอ่ลงไฟฟ้าเขาหรือเวลาไปจ้างช่างให้มาซ่อมมาก่อสร้างทำอะไรก็เป็นเป็นหนี้ช่างก่อสร้างก็ต้องเอาเงินนี้ไปใช้ใช้หนี้กัน เขาลยมีตู้ที่เขียนว่าชำระหนี้สงมีแล้วแต่บางวัดก็ไม่ได้เขียนอะไรไว้มีตู้ใบเดียวก็ถือว่าใส่ไปเป็นรวมมิตรไปถวายให้กับวัดไปแล้วแล้วแต่ว่าเขาจะพิจารณาว่าต้องเอาไปใช้ในทางใดบ้างขาดแคลนอะไรขาดหรืออะไรก็เอาเงินที่ศรัทธาญาติโยมบริจาคใส่ตู้นี้เอาไปใช้แล้วแต่ความเหมาะสมแล้วแต่ความจําเป็น อันนี้คือการทํานุบารุงพระพุทธศาสนานการทําบุญทําทานกับพระพุทธศาสนาถ้าเราเห็นคุณค่าของพระพุทธศาสนาเห็นคุณค่าของพระธรรมคำสอนเห็นคุณค่าของพระอริยสงสาวกที่จะมาเป็นครูเป็นอาจารย์ที่จะให้ความรู้กับเราเกี่ยวกับการวิธีการที่จะสร้างความสุขทางใจขึ้นมา เราก็ทำบุญกับพระพุทธศาสนาแล้วถ้าเรายังมีมีเหลืออีกเราอาจจะเห็นความสำคัญของการช่วยโรงพยาบาลทำนุบำรุงโรงพยาบาลเพราะโรงพยาบาลนี้ก็มีคนไข้เยอะคนไข้คนเจ็บคนป่วยนี้มีมากแล้วก็เงินเงินที่จะมาใช้กับการดูแลคนไข้คนป่วยก็มีไม่มากพอ ต้องคอยสร้างอาคารเพิ่มขึ้นอยู่เรื่อยๆต้องจ้างหมอจ้างพยาบาลมาคนไข้ก็มีเพิ่มขึ้นอยู่เรื่อยๆบางคนก็เห็นความสําคัญของโรงพยาบาลอยากจะไปทําบุญกับโรงพยาบาลก็ได้บางคนก็เห็นความสําคัญต่อการศึกษาเล่าเรียนอยากให้อยาวชนได้มีสถานที่ศึกษาที่พอเพียงอยากให้ยาวชน มีความสามารถที่จะเรียนไปถึงขั้นสูงสุดถ้าเขามีความสามารถได้แต่เขาอาจจะขาดทุนทรัพย์ก็าอาจจะมาจากครอบครัวที่ยากจนเราก็ช่วยออกทุนการศึกษาให้กับเด็กยากจนก็ได้หรือถ้าทางโรงเรียนขาดแคลนอุปกรณ์ขาดแคลนเครื่องใช้ไม้สอยอะไรต่างๆในการที่จะนำเอามา เผยแพ่สั่งสอนความรู้ให้กับเด็กนักเรียนแล้วก็ไปสนับสนุนทาบุญกับโรงเรียนก็ได้วิธีการทำบุญเหล่านี้จะทำให้ใจเรามีความสุขใจเราจะทำให้เราไม่หิวกับการที่จะไปหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายทางรูปเสียงกลิ่นรสผลถะเพะ คนที่ได้ทำบุญอยู่เป็นประจานี้จะไม่ค่อยเป็นคนที่หลงไหลไปกับแสนสีเสียงจะไม่ค่อยไปเที่ยวเตะไปหาความสุขตามแหล่งบันเทิงต่างๆจะไม่ไปหลงไหลกับการใช้ของที่มีราคาแพงๆของหรูหราของฟุ่มเฟือยต่างๆเพราะว่ามันมันมันไม่จําเป็นไม่มีสิ่งเหล่านี้ก็อยู่ได้ ถ้าใจมีความสุขจากการทาบุญทาทานคนทาบุญทาทานจึงเป็นคนที่อยู่แบบมักน้อยสันโดษอยู่แบบเรียบง่ายไม่ไม่ฟุ้งฟ้าไม่ฟุ้งเฟ้อเหอเหิมไปกับของออสวยของงามขอ ง, อของหรูของหราของมีราคาแพงแพงเท่าไหร่เพราะรู้ว่ามันเป็นความสุขปลอมมันสู้ความสุขที่ได้จากการทาบุญทาทานไม่ได้ ทำบุญทําทานทําให้ใจอิ่มการไปซื้อของแพงๆไปหาความสุขทางรูปเสียงจิตร้อนนี้เป็นการทําให้ใจหิวไม่ได้จําให้ใจอิม่มมีความสุขชื่วขณะที่ได้เสพได้สัมผัสพอไม่ได้เสพได้สัมผัสขึ้นมาเมื่อไหร่ก็เกิดอาการหิวโหยขึ้นมา ท, าทันทีอยากจะไปเสพไปเที่ยววันนี้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ก็อยากจะไปเที่ยวอีก พราะถ้าอยู่บ้านเฉยๆก็ก็จะมีอาการหงุดหงิดอาการซึมเศร้าขึ้นมาก็จะต้องออกไปเที่ยวอยู่เรื่อยๆเคยไปซื้อของฟุ่มเฟือยไปช้อปปิ้งตามสถานที่ต่างๆก็จะติดกับการช้อปปิง้งจะต้องไปซื้อทาบซื้อของอยู่เรื่อยๆทั้งๆที่ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องจะต้องมีสิ่งเหล่านี้เลยแต่ใจมันหิวแล้วถ้ามันมีเงินมันก็จะอดไม่ได้ เงนนี้เป็นตัวตอบสนองปัญหาความอยากของใจซึ่งการไปตอบสนองความอยากของใจนี้ก็ไปสร้างความทุกข์สร้างความหิวโหวยให้มีมากขึ้นความอยากนี้มันไม่ลดน้อยถอยลงไปด้วยการที่ไปสนับสนุนไปทำตามความอยากมันยิ่งจะทำให้ความอยากมีเพิ่มมากขึ้นมีแรงมากขึ้นอยากได้ตอนต้นก็อยากได้คืบพอได้คืบแล้วก็อยากจะได้วะได้สอก พอได้สอบก็อยากจะได้วา่าได้อะไรมาตอนต้นก็ดีใจแต่ครั้งที่สองนี้จะต้องได้มากกว่านี้นะถ้าได้เท่าเดิมนี้มันไม่มีความรู้สึกมีความสุขแล้วมันจะทําให้มีปัญหาเวลาที่ไม่สามารถตอบสนองตัาหาความอยากได้ใจก็จะเครียดใจก็จะทุกข์ใจก็จะเศร้าขึ้นมาดัางนั้นเราต้องพยายามอย่าเอาเงินไปใช้กับ การหาความสุขทางร่างกายเอาเงินนี้มาหาความสุขทางใจดีกว่าทำบุญทาทานทำกับบุคคลต่างๆที่เราอยากจะทำอันนี้เป็นเรื่องของจริตนิสัยของแต่ละคนอาจจะเป็นเพราะอาดีตชาติเคยมีความสุขกับการทำบุญแบบไหนก็ทำบุญแบบนั้นไปบางคนมีความสุขกับการทำบุญกับสัตว์ ทำเลี้ย ง, ยงสุนัขเลี้ยงแมวเลี้ยงหมาจอนจัดอะไรทำนอง น, งนี้บางคนก็มีความสุขกับการไปปล่อยนกปล่อยป ล, ยปลาบางคนก็มีความสุขกับการไปถ่ายชีวิตวัวควาย <Yeah. S 2> บางคนก็มีความสุขกับการไปทำบุญที่วัดไปทำบุญชนิดต่างๆไปทำบุญทำบุญตักบาตรทำบุญถวายสังฆทานทาบุญ พระปาทาบุญภาคกะถินอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผู้ทาบุญสามารถเลือกได้ทำทำได้ผลที่ได้เหมือนกันคือความสุขใจความเอ็นใจแล้วจะทำให้ไม่มีความหิวโหวยที่อยากจะไปหาความสุขทางตาหูจมูกมนิ้ไกาย เวลาไม่มีเงินทองหรืเงินทองขาดมือไม่ได้ไปทำบุญก็จะไม่เดือดร้อนไม่หิวโหยเพราะใจยังอิ่มยังมีความสุขจากบุญที่ได้ทำอยู่เวลาที่ร่างกายไม่สบายเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ได้ทำบุญก็ไม่ก็ไม่เดือดร้อนไม่รู้สึกเสื่มเศร้าไม่รู้สึกทุกข์แอย่างใดอันนี่คือเบื้องต้นของการสร้างความสุขทางใจ ถ้าเรายังมีเงินมีทองแล้วใช้เงินทองไปในทางที่เป็นพิษเป็นภัยกับจิตใจคือไปซื้อยาเสพติดทะของใจก็คือไปซื้อความสุขของทางรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆนี่เราอย่าไปพยายามหักห้ามจิตใจทุกครั้งที่อยากจะไปซื้อของฟุ่มเฟือยซื้อของหรูหราว่าเอาไปทำบุญดีกว่าทำบุญแล้วมีความสุขใจกว่า ให้คิดอย่างนี้แล้วลองทําดูเราจะจะเห็นผลว่ามันดีจริงๆการเอาเงินทองมาทําบุญกับการเอาเงินทองไปซื้อของฟุ่มเฟือยของหรูหราหรือของการไปเสพรูปเสียงกลิ่นรดไปดูไปฟังหมหรสพบันเทิงอะไรต่างๆเลยไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆมันเป็นความสุขชั่วคราวชั่วขณะที่ได้ไปได้เสพกันนั่นเองเรากลับมาบ้านมันก็ปล่อยให้เราอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวเดียวดาย ไม่เหมือนกับเวลาที่เราไปทำบุญทําบุญเสร็จกลับมาบ้านก็ยังมีความอิ่มเอิบใจมีความสุขใจไม่หิวกับอะไรอยู่เฉยๆก็ไม่เดือดร้อน ถ, ถ้าเกิดอาการเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาก็ไม่เทียดไม่ทุกข์ไม่เสื่อมเศร้านี่คือการสร้างความสุขทางใจในขั้นที่หนึ่งสำหรับผู้ที่ ใช้เงินทองมีเงินทองแล้วเอาเงินทองไปใช้ในทางที่ผิดก็ให้เปลี่ยนมาใช้ในทางที่ถูกใช้ในการทําบุญทําทานอันนี้หมายถึงเงินทองที่เป็นส่วนเกินเงินทองที่เราจะเอาไปใช้กับการเสพรูปเสียงกลิ่นรสนี่พยายามเอามาใช้กับการทาบุญทําทานจะมีคุณมีประโยชน์จะไม่มีพิษมีภยัยเหมือนกับการที่เอาเงินทองไปใช้กับ รูปเสียงกลิ่นรสต่างๆนี่คือสิ่งแรกที่เราที่เราทํากันราะเป็นสิ่งที่ง่ายเพราะเรามักจะมีเงินทองเหลือกันทุกคนและเรามักจะใช้เงินทองไปกับการเที่ยวกันกับการไปหาความสุขจากมอหรสุบบรรเทิงต่างๆจากการไปซื้อของฟุ่มเฟือยของหรูหราต่างๆมาเสพเราต้องมายับยั้งการใช้เงินทองแบบนี้ เพราะถ้าเราไม่ยับยั้งเวลาที่เราไม่สามารถซื้อความสุขเหล่านี้ได้มันจะทำให้ใจเราซึมเศร้าได้ทำให้ใจเราเหงาบุดหงิดซึมเศร้าแล้วบางทีก็อาจจะคิดสั้นได้ฉนั้นอย่าใช้เงินทองแบบนี้เอาเงินทองไปทำบุญทาทานชอบทำบุญทาทานแบบไห น, นทำไปได้เลยได้บุญได้ความสุขเหมือนกันได้ความสุขใจเอ่นใจเหมือนกัน แต่คุณประโยชน์ที่บุคคลหรือสังสารที่ที่เราไปทําบุญด้วยนี้อาจจะมีคุณประโยชน์ไม่เหมือนกันเช่นเราไปทําบุญที่วัดเราก็จะเราก็จะได้ประโยชน์ทางใจเต็มร้อยเพราะวัดนี้เป็นที่ที่จะสอนให้เราสร้างความสุขทางใจให้เต็มร้อยแต่ถ้าเราไปทําบุญกับโรงพยาบาล น, นี้เราก็จะไม่ได้ความสุขทางใจทางโรงพยาบาลก็จะ จะให้ความสุขทางร่างกายก็คือช่วยรักษาโาครคภัยไข้เจ็บเวลาที่เราเจ็บไข้ได้ป่วยเพรนั้นประโยชน์ของบุคคลที่เราไปทำด้วยที่เขาจะให้กับเรานี้ต่างกันไปทำบุญกับวัดวัดก็จะให้มรรคผลนิพานให้เราหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดให้เราได้สัมผัสกับความสุขทางใจ แต่ถ้าเราไปทำบุญกับโรงพยาบาโลโรงพยาบาลก็ทำได้ก็เท่นเพียงแต่รักษาร่างกายของเราถ้าไปทาบุญกับโรงเรียนโรงเรียนก็จะส อ, อนให้ลูกหลานของเราอนุชนที่เกิดมานี้ได้มีที่เรียนที่เล่าเรียนประโยชน์เหล่านี้ต่างกันขึ้นอยู่กับความสามารถของแต่ละสถานที่ว่าเขามีความสามารถที่จะทำอะไร โรงพยาบาลก็มีคามสามารถที่จะรักษาพยาบาลโรงเรียนก็เป็นสานที่ให้ความรู้ทางโลกเพื่อให้เมื่อเรียนจบแล้วก็จะได้มีวิชาความรู้ไปทรมาหากินเลี้ยงชีพแบบสุดจริตได้ทาทาบางอย่างนี้เราก็อาจจะไม่ได้อะไรกลับมาเลยเช่นไทยท่ายชีวิตวัวควายอย่างนี้วัวควายก็ไม่สามารถที่จะตอบแทนบุญคุณอะไรให้กับเราได้อันนี้ก็ แล้วแต่เราเราอยากจะทำอะไรแบบไหนก็ทำไปแต่ประโยชน์ที่เราจะได้จากบุคคลที่เราไปทำนี้ก็แตกต่างกันไปซึ่งประโยชน์ที่เราจะได้รับจากบุคคลนี้เขาก็เรียกว่าอ น, นิสงหรือผลบุญอีกอย่างหนึง่งที่เพราะว่าเวลาทำบุญกับคนต่างๆนี้มีผลต่างกันเช่นถ้าทำบุญกับคนธรรมดาอ า, อาจจะได้หนึ่งร้อย ถ้าไปทำบุญกับพระภิกษุมีศีลก็จะได้หนึ่งพันหนึ่งันเท่าได้ประโยชน์กลับมาหนึ่งพันเท่าถ้าทำบุญกับพระภิกษุที่เข้าชาได้เข้าสมาธิก็จะได้ได้หมื่นเท่าถ้าทำบุญกับพระภิกษุที่เป็นพระอริยบุคคลขั้นสโสดาบันก็แสนเท่าขั้นสกิทาคามีก็ล้านเท่าท่านพระอนาคามีก็ สิบล้านพระอรหันต์ก็ร้อยล้านพระพุทธเจ้าก็พันล้านออย่างนี้ต่างกันเพราะบุคคลที่เราไปทําบุญด้วยท่านมีความรู้ความสามารถที่จะสอนเหล่านี้มีความแตกต่างกันนั่นเองทำบุญกับพระพุทธเจ้านี้อาจจะได้ฟังธรรมหนเดียวก็บรรลุ ถ, ถึงนิพพานเลยก็ได้ซึ่งมีเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วในสมัยพุทธกาลคนที่ไปทําบุญใส่บาตรถามปัญหา พอได้คําตอบปั๊บก็บรรลุถึงพระนิพพานได้เลยท่านมีบางคนฟังเทศฟังธรรมจบหนึ่งกันขึ้นมาก็บรรลุเป็นพระอริยบุคคลได้อันนี้คือประโยชน์ที่เราจะได้รับจากบุคคลที่เราไปทําบุญด้วยนี่ต่างกัน <Yeah. S 2> ถ้าเราไปทำบุญกับพระธรรมดามีแัดศีลอย่างเดียวท่านก็จะสอนวิธีรักษาศีลให้เราได้เพียงอย่างเดียวท่านจะไม่รู้จักวิธีนั่งสมาธิท่านจะไม่รู้จักวิธีบรรลุเป็นพระอริยบุคคลได้ อันนี้อันนี้ผลผลที่จะได้รับจากบุคคลต่างๆนี้มันไม่เท่ากันต้องต้องเข้าใจว่าการทำบุญนี้มันมีผลสองส่วนด้วยกันส่วนแรกก็คือส่วนที่เกิดจากการเสียสละทับสมบัติเข้าของเงินทองของเราไปทำบุญร้อยบาทไม่ว่าทำบุญกับใครก็จะได้ความสุขใจอิ่มใจเท่ากันทำบุญกับพระทรงศสียหรือไปทาบุญกับสุนัขเนี่ย มันก็ได้ความสุขใจอิ่มใจเท่ากันแต่บุญอีกอย่างหนึ่งที่เราจะได้รับจากผู้ที่เราไปทำบุญด้วยนี่ต่างกันไปทำบุญกับสุนักสุนักมันก็อาจจะมาช่วยเฝ้าบ้านให้เรามาคอยเห่าเวลามีใครแปลกหน้าเข้ามาแต่ถ้าเราไปทำบุญกับพระที่ทรงศีลท่านก็จะสอนให้เราให้ศีลเราให้เรารู้จักว่าศีลมีอะไรบ้างศีลห้าเป็นอย่างไรศีลแปดเป็นอย่างไรศีลสิเป็นอย่างไร อันนี้ต่างกันดันั้บางทีเราพูดแล้วคนเขาฟังแล้วเขาไม่เข้าใจเขาบอกว่าทําบุญร้อยบาททํากับใครก็ได้บุญเท่ากันนี้เขาก็ฟังแล้วก็เขาก็างงเพราะเขาเคยได้ยินว่าทาบุญกับคนต่างๆนี้ได้บุญต่างกันไม่เหมือนกันอันนั้นอีกส่วนหนึ่งมันมีสองส่วนต้องแยกแยะส่วนที่ได้เกิดจากการเสียสละเงินร้อยบาทนี้ได้เท่ากันหมดไม่ว่าจะทํากับใคร แต่ส่วนที่เราจะได้รับจากบุคคลที่เราไปทําบุญด้วยนี้มันต่างกันทํ mm hmm. าบุญกับสุนัข ก, ก็จะได้มีสุนัขมาเลี้ยงบะเลี้ยงมาคอยเฝ้าบ้านคอยคอยเห่าเวลามีใครแตกหน้าเข้ามา mm hmm. ถ้าทำบุญกับพระภิกษุมีมีศีลท่านก็จะให้ศีลกับเราสเวลาเราอยากจะรักษาศีลเราก็ไปมะยังพันเตติสณานนัส า, าอขอศีลท่านก็จะให้ศีลกับเรา mm hmm. อันนี้ต่างกัน ดังน้นต้องขอทําความเข้าใจว่าบางคนพูดไปแล้วเขาเกิดอาการไม่เข้าใจหรือเกิดอาการลังเลสงสัยขึ้นมาเพราะว่าบางทีพูดไม่ได้ครบกระบวนการซึ่งบางทีมันจะพูดให้ทุกอย่างให้มันครบทีเดียวพร้อมๆกันนี่มันก็ต้องใช้เวลาดังั้นบางคนถามว่าทําบุญกับใครจะได้บุญมากกว่ากันมันก็ได้เท่ากันอ่ะถ้าเงินร้อยบาททําบุญกับใครก็ได้บุญน้อยบาทเท่ากันแตถ้า สิ่งที่เราจะได้รักจากคนที่เราไปทําด้วยนี่มันไม่เหมือนกันต่างกันมันก็พูดยากเหมือนกันมันมีทั้งส่วนที่เท่ากันและส่วนที่ไม่เท่ากันจากการทําบุญ<ม>ก็เรามานั่งอธิบายให้ฟังเรื่องของการทําบุญทําทาน<ม>แล้วการทําบุญทําทานก็ไม่ใช่ว่าเราจำเป็นจะต้องทํากับใช้เงินทองหรือข้าวของอย่างเดียวอันนี้เรียวกว่าวัตถุทาน มีการให้อีกอย่างที่เราเรียกวิทยาทานถ้าเราไม่มีเงินมีทองแต่เรามีวิชาความรู้<ม>เรารู้จักทำกับข้าวเราเป็นเราเป็นพ่อครัวแม่ครัวที่มีฝีมือ ม, มีคนอยากจะมาเรียนเพื่อที่จะได้เอาไปทำมาหากินเลี้ยงชีพเราถ้าเราอยากจะทำบุญแล้วก็สอนฟรีก็ได้อันนี้ก็เรียกวิทยาทาน ให้ให้วิชาความรู้ถ้าเราไม่มีเงินมีทองแล้วเราอยากจะทำบุญทำทานบางทีเราอาจจะเราอาจจะเปิดวิชาให้คนมาเรียนแล้วเราอาจจะแบ่งไว้สำหรับคนบางคนที่ไม่มีเงินทองว่าให้เรียนฟรีอันนั้นก็เรียกว่าเป็นการให้วิชาความรู้เรียกวิวทยาทานการให้ทานอีกอย่างนึงก็คือการให้ธรรมทานให้ธรรมะคาส่นคาสอนของพระพุทธเจ้า ถ้าเรามีหนังสือธรรมะดีๆอ่านแล้วทำให้เราหูตาสว่างทำให้เรารู้จักทำให้ดับความทุกข์ของใจเราได้ถ้าเราเห็นคนที่เขามีความทุกข์แล้วเขาอยากจะรู้วิธีดับความทุกข์เราก็เอาหนังสือนี้ให้เขาไปก็ได้อันนี้ก็เรียกว่าเป็นการธรรมทานให้ธรรมะหรือสมัยนี้ในโลกของโซเชียลเราก็มีการแชร์ เรามีอ่านหนังสือข้อความดีๆธรรมะข้อความดีๆสั้นๆอ่านแล้วสะกิจใจอ่านแล้วเกิดความประทับใจอ่านแล้วคลายความเครียดคลายความทุกข์ได้เราอยากจะแบ่งปันให้กับผู้อื่นแล้วก็ส่งไปก็ได้ส่งให้กับผู้ให้เพื่อนไปอย่างนี้ก็เรียกว่าเราก็ได้ทําธรรมทำานเพื่อนที่กําลังเหงากําลังเศร้าอยู่พอ ร, รู้ว่าความเศร้าเกิดจากความอยากให้หยุดความอยาก ด้วยการมาฝึกจิตใจทำใจให้สงบพอหยุดความอยากได้เข้าสมาธิได้ความเศร้าก็จะหายไปใจก็จะมีความสุขขึ้นมาไม่ต้องคิดฆ่าตัวตายได้อันนี้ก็เป็นการให้ธรรมทานและการให้อีกอย่างหนึ่งก็คือเรียกว่าการให้อภัยเรียกว่าภัยทานอภัยก็คือไม่ไม่ไม่ไม่เอาไม่เอาโทษผู้อื่นเวลาที่เขาทำอะไร ที่สร้างความเสียหายสร้างความเดือดร้อนให้กับเราเขาอาจจะพูดไม่ดีทำอะไรไม่ดีทำให้เราเสียหายเราก็ไม่ต้องไปเอาเรื่องเอาราวรับยกโทษให้เขาไปอาภัยให้เขาไปเรียกว่าอภัยทานอันนี้ก็จะทำให้ใจเรามีความสุขการให้ทั้งสี่เช่นนี้ก็จะทำให้เกิดความสุขใจให้วัตถุทานก็เกิดความสุขใจให้วิทยาทานก็เกิดความสุขใจให ให้ธรรมทานก็เกิดความสุขใจให้อภัยทานก็เกิดความสุขใจแทนที่จะอาฆาตพยาบาทเครียดแค้นกินไม่ได้นอนไม่หลับจองเวรจองกรรมพอเราให้อภัยเขาได้แล้วใจเราก็เย็นขึ้นมาความเครียดแค้นอาฆาตพยาบาทก็หายไปเราก็อยู่กันอย่างเราก็จะอยู่อย่างเย็นสบายได้เรื่องที่มันเกิดขึ้นมันก็ผ่านไปแล้วจะไปเอามาสร้างความทุกข์ให้กับใจเราทาไม ผ่มันไปแล้วก็ให้มันไปถือว่ามันเป็นธรรมดาอยู่ในโลกนี้มันจะต้องเจอเหตุการณ์ต่างๆที่จะทำให้เราไม่สบายใจแต่ถ้าเรารู้จักให้อภัยเราก็จะอยู่ในโลกนี้อย่างสบายใจใครจะทำอะไรก็ก็ให้อภัยไปเหมือนที่พระเจ้ทาทรงตัดไว้ว่าให้คิดอย่างนี้ถ้าใครเขาเขาไม่ชอบเราก็ให้คิดว่าดีแล้วเขายังไม่ด่าเรา ถ้าใครก็ด่าเราก็ฆ่าให้คิดว่าดีแล้วเขายังไม่ทุบตีเราถ้าเขาทุบตีเราก็คิดว่าดีแล้วเขายังไม่ฆ่าเราถ้าเขาฆ่าเราก็ดีแล้วอยู่ในโลกนี้ก็มีแต่ความทุกข์อาจจะได้พ้นกรรมพ้นทุกข์ตายครั้งนี้อาจจะเป็นตายครั้งสุดท้ายก็ได้ถ้าเราโปร่งได้ะบอกว่าเกิดแก่เจ็บตายนี้มันเป็นทุกข์ไม่กลับมาเกิดดีกว่าอย่างนี้ก็ กลายเป็นคุณเป็นประโยชน์เราต้องรู้จักวิธีมองโลกมองโลกในวิธีที่จะทำให้ใจเราไม่ทุกข์กันโดยการมองในสิ่งที่มันเลวร้ายกว่าที่อาจจะเกิดขึ้นตอนนี้อาจจะ เ, ออเจอคนที่เขาไม่ชอบเราก็คิดว่าดีแล้วเขายังไม่ด่าเราถ้าเขาด่าเราก็ดีแล้วเขายังไม่ทุบตีเราถ้าเขาทุบตีเราก็ดีแล้วเขายังไม่ฆ่าเรา ถ้าเขาฆ่าเราก็าดีแล้วเกิดมามันก็ต้องตายกันไม่ช้าก็เร็วถ้ามันถึงเวลามันจะตายก็ให้มันตายไปมันได้จบจบคนไปคิดอย่างนี้แล้วมันก็จะสบายใจบางคนอยากจะตายต้องไปจ้างเขามาฆ่าก็มีบางทีก็ต้องไปซื้ อ, อยาพิษมากินไปหาปืนมาไปหาไปซื้อต้องเสียเงินเสียทองค่าตัวตายือ อันนี้ไม่ต้องไม่ต้องทำอะไรมีคนมาทำให้กับเราก็ถือว่าอาจจะเป็นกรรมของเราก็แล้ว ก, กันพบก่อนชาติก่อนอาจจะเคยเป็นเจ้ากรรมนายเวรกันมาพบนี้เลยก็ยต้องใช้กรรมกันไปมันจะได้หมดกรรมกันไปสถที<ม>ถ้ากรรมยังไม่ใช้มันก็ยังไม่หมดมถ้าชาตินี้ยังไม่ได้ใช้กันเดี๋ยวไปเกิดชาติหน้ามันไปเจอกันเน่มันก็ไปจองเวรจองกรรมกันต่อเห<ม>็นเราหนีกรรมไม่พ้นอย่างพระโมคคัลลานะท่านมีอิทธิฤทธ ท่านสามารถใช้อิทธิฤทธิ์ป้องกันตัวท่านได้แต่ท่านก็ไม่ใช้ท่านบอกเรื่องของกรรมนี้หนีมันไม่พ้นหรอกหนีมันวันนี้พรุ่งนี้มันก็ตามมาใหม่ดงนั้นก็ปล่อยให้มันเกิดเลยเมื่อถึงเวลาที่มันจะต้องสู่ความสิ้นสุดของชีวิตก็อย่าไปยื้อมันเลยชีวิตนี้มันไม่มีคุณค่าอะไรนอกจากเป็นนอกจากการเอามาสร้างบุญสร้างกุศลเท่านั้นเอง แต่ถ้าเราอยู่แล้วเราไม่สามารถสร้างบุญสร้างกุศลได้ก็อย่าไปอยู่เลยถ้าถึงเวลามันจะตายไม่ต้องไปให้หมอใส่ท่อใส่อะไรต่างๆยื้อชีวิตแต่นอนอยู่บนเตียงทำบุญทำกุศลอะไรไม่ได้อยู่ไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรอยู่ไปก็เป็นภาระกับคนที่ก็ต้องมาเลี้ยงดูเรา ส, สู้ไปดีกว่าไปเปลี่ยนร่างกายอันใหม่ดีกว่าร่างกายอันนี้มันเก่าแล้วมันใช้ไม่ได้แล้วอย่าไปยืมันไป ถ้าเรามั่นใจในบุญกุศลที่เราได้ทำไว้ก็ให้มันไปแล้วเราถ้ายัางไปไม่ถึงพลาพานาเราก็จะกลับมาเกิดใหม่เราก็จะได้ร่างกายอันใหม่ที่ดีกว่าเกา่าแล้วเราก็จะได้เอาร่างกายอันใหม่นี้มาสร้างบุญสร้างกุศลต่อไปสร้างกุศลมาสร้างความสุขให้กับใจต่อไปการสร้างบุญสร้างกุศลนี้นอกจากการทำทานแล้วก็ยังมีขั้นต่อไปก็คือการรักษาสี ถ้าเราทําบุญทําทานแล้วการรักษาศีลจะง่ายกว่าคนที่ไม่ได้ทําบุญทําทานเพราะคนที่ทําบุญทําทานนี้จะมีใจเมตตาจะไม่อยากเบียดเบียนผู้อื่นจะไม่ทําอะไรก็ไม่อยากจะทำให้ผู้อื่นเขาเสียหายเดือดร้อนก็จะมีศีลขึ้นมาจะรักษาศีลก็เลยง่ายเพราะการรักษาศีลก็คือการละว้นจากการเบียดเบียนผู้อื่นนั่นเองไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดต่อเทนิสไม่พูดปด อันนี้เป็นการกระทำที่ทำให้ผู้อื่นเขาเสียหายหรือไม่ดื่มสุราอยาเมาก็ดื่มสุรายาเม า, า, า, มาแล้วก็เกิดอาการมึนเมาออไม่สามารถควบคุมอารมณ์ไม่ได้ถ้าคิดไม่ดีก็จะพูดไม่ดีทำไม่ดีออกมาได้แต่ถ้าไม่ดื่มสุราก็จะมีสติที่จะสามารถควบคุมอารมณ์ได้เวลาเกิดอารมณ์ไม่ดีขึ้นมาก็าระงับมันได้ไม่ปล่อยออกมาทางวาจาหรือทางการกระทำทางกาย อันนี้ก็จะทําให้เรานี่ไม่ต้องไปมีเรื่องมีราวกับผู้ไม่ต้องไปสร้างเวรสร้างกรรมให้กับใครก็จะไม่มีความทุกข์ไม่มีกรรมมามาราวีมีแต่ความสุขการที่เราไม่ทําบาปนี่จะทำให้ใจเราเย็นทําให้ใจเรามีความสุขมีความสบายแล้วเราก็จะเห็นคุณค่าของความสุขความสบาย และอยากจะให้มันสุขให้มันสบายมากขึ้นเราก็อยากจะไปปฏิบัติธรรมขั้นสูงต่อไปคือขั้นการภาวนาทำจิตใจให้สงบการจะไปทำจิตใจให้สงบนี้ก็ต้องมีการรักษาศินแปดเพิ่มขึ้นจากศินห้าก็เพิ่มเป็นศินแปดเพราะจะไปภาวนานี้ต้องระงับการไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายสินแปดนี้ก็จะห้ามไม่ให้ไปหาความสุขในรูปแบบต่างๆทางตาหูจมูกลิ้นกาย ไม่ให้ร่วมหลับนอนกับผู t <t ้คลองไม่ให้หาความสุขจากการรับประทานอาหารมากจนเกินไปไม่ให้หาความสุขจากการไปดูไปฟังหมอรสบบันเทิงต่างๆไม่ให้หาความสุขจากการไปเที่ยวตามแหล่งบันเทิงต่างๆไม่ให้หาความสุขจากการเสริมสวยความงามด้วยกเสื้อผ้าอภรรหรือเครื่องสำอางต่างๆแล้วก็ไม่ให้หาความสุขจากการหลับนอนมากจนเกินไป น, นคือสีห้าชั่วโมงก็พอด้วยการนอนบนพื้นแข็งๆอย่าไปนอนบนฟูกนานะเตียงสำรานเตียงใหญ่ๆเตียงที่นอนแล้วมีความสุขเพราะมันจะนอนมากเกินไปเวลาร่างกายได้พักผ่อนพอแล้วพอตื่นขึ้นมามันจะไม่อยากลุกมันะเพราะเตียงมันสบายก็ยาก็จะนอนต่อก็จะทาให้เสียเวลาอันมีค่าที่จะามาใช้ให้กับการสร้างความสงบทางใจ มรักษาศีลได้แล้วอยากจะทำใจสงบก็ต้องมีสติคอยควบคุมความคิดอย่ายอย่าปล่อยให้ใจคิดไปถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ตลอดทั้งวันทั้งคืนให้หยุดมันด้วยการใช้การเจริญสติคือการเจริญพุทธานุสติคือการบริกรรมพุทโธพุทโธเราเลิกถึงพระพุทธเจ้าทำพุทโธพุทโธไปถ้าเร า, เ, ราเลกถึงบริก ร, รมอยู่กับคาพุทโธพุทโธ ละใจเราก็จะไม่สามารถไปคิดเรื่องราวต่างๆได้เบื้องต้นอาจจะแวบไปคิดได้แต่ถ้าเราอยู่กับพุโทโธไปเรื่อยๆต่อไปความคิดของเราก็จะเบาบางลงใจจะว่างใจว่างขึ้นมากเท่าไหร่ใจก็จะเย็นมีความสุขมากขึ้นเท่านั้นและเวลานั่งสมาธิใจก็จะมีความสบายเข้าสู่ความสงบได้พบกับความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงความสุขที่เราได้จากการไปหารูปเสียงกลิ่นรสผดผลาญนี้ หรือความสุขที่ได้จากการได้ราบยศสาะรเสรญนี้มันสู้ความสุขที่ได้จากการทำใจให้สงบไม่ได้ต่อไปเราก็ไม่ต้องไปหาความสุขทางตาหูจมูก น, นิ้กายที่จะทำให้เราซึมเศร้าได้เวลาที่เราหาไม่ได้เราก็จะไม่มีวันที่จะซึมเศร้าจะไม่มีวันที่จะคิดสั้นต่อไปแล้วหลังจากนั้นเวลาที่เราได้ความสุขจากการทาสมาธิแล้ว อันต่อไปเราก็ต้องทําความสุขที่ได้จากสมาธิให้เป็นความสุขที่ถาวรเพราะความสุขจากสมาธิยังเป็นความสุขชั่วคราวอยู่ออกจากสมาธิมาเดี๋ยวใจไปคิดอยากได้นู่นได้นี่ความสุขที่ได้จากความสงบก็หายไปได้วิธีที่จะทําให้ใจไม่สามารถรักษาความสุขที่ได้จากสมาธิได้ก็คือเวลาเกิดความอยากขึ้นมาก็ต้องใช้ปัญญามาสอนใจให้เห็นว่าสิ่งต่างๆที่เราอยากได้นั้นมันเป็นทุกข์ทั้งนั้น มันเป็นทุกข์ก็มันเป็นของไม่เที่ยงได้มาแล้วเดี๋ยวมันหมดไปก็จะทำให้เราทุกข์หรือมันเปลี่ยนไปมันก็ทำให้เราทุกข์ได้ดังนั้นอย่าไปอยากได้อะไรอยากมีอะไรอยากเป็นอะไรเพราะมันจะทำให้เราทุกข์ต่อไปไม่ได้ทำให้เราสุขอย่างแท้จริงถ้าเราเห็นด้วยปัญญาว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันเป็นความทุกข์เราก็จะไม่อยากได้อะไรต่อไปเอาไปความอยากที่เคยมีอยู่ในใจของเราก็จะหมดไป พอความอยากที่มีใจมันหมดไปด้วยปัญญาแล้วนี่ใจเราก็จะว่างจะสงบจะเย็นไปตลอดความว่างความสงบความเย็นของใจที่ปราศจากกิเลสตัณหานี้เรียกว่าพานิพานนิบาณังพลัมังสุขขังนี่แหละคือความสุขใจที่สูงสุดที่ยิ่งใหญ่ที่พระเจ้าทรงสอนให้พวกเราชาวพุทธมาสร้างกันขึ้นมาจากขั้นต่ําคือขั้นทานไปสู่ขั้นศีลจากขั้นศีลไปสู่ขั้นสมาธ จากขั้นสมาธิไปสู่ขั้นปัญญาตามลำดับต่อไปนี่คือกิจที่เราควรจะทำกันในวันพระวันหยุดทางานถ้าวันนี้เป็นวันที่เราต้องทำงานเราก็ต้องหาวันที่เราไม่ทำงานมาเป็นวันพระของเราเช่นถ้าเราหยุดทำงานวันเสาร์อาทิตย์ก็ไปเอาวันเสาร์อาทิตย์วันใดวันหนึ่งมาเป็นวันพระของเราไปอยู่วัดไปนั่งไปนั่งสมาธิไปทาบุญใส่บาไปรักษาศีลไปฟังเทศฟังธรรมกัน น, นี่คือเรื่องราวของวันพระที่เอามาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้ผ่อนอยาถาวาเรวาหาปุราปาริปุเรนติสาคลังเอวเมวะอิโตทินังเตตานาังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังกิปเมวะสมิจจโต สัพเทปุเรนตุสังกปาสันโทปนาระโสยธาเมณิจุติอาระโสยธาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพลูกมินัสตุมเตภวัตตะวันตรายุสุขิจีขายุโกภวั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 ถามเองก็ได้หรือส่งข้อความเข้ามาก็ได้เขียนใส่กระดาษหรือถ้ามีมือถือก็ส่งเข้ามาทางเพจทางยูทู e วันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่ วันนี้ผู้ติดตามทาง Facebook พระอาจารย์สุชาติ539 YouTube พระสุชาติ Live 264 YouTube Dr.V Channel 94วิทยุออนไลน์9 Clubhouse 12ผู้รับฟังธรรมณากุติ105คนรวมทั้งหมด 1,023 ครับมีคําถามว่าถามได้เลย คำถามจากผู้รับฟังด้านหน้ากุฏินะครับขอกราบเรียนขอความรู้จากพระอาจารย์การตั้งจิตอธิษฐานหรือปฏิบัติอย่างไรให้ตายแบบไม่ทุกข์ทรมานเช่นไม่เป็นผู้ป่วยติดเตียงเป็นอมาพาสไม่เป็นมะเรง็งเป็นต้นครับเอเรื่องความเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกายนี้ถ้ามันมาเกิดแล้วห้ามมันไม่ได้หรอกมันจะเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งก็ต้องเป็นไป ถ้าไม่อยากให้มันมีปัญหาเหล่านี้ก็อย่ามาเกิดเท่านั้นถ้าไม่เกิดแล้วก็ไม่มีการป่วยไม่มีการติดเตียงไม่มีอัมพาตอัมพฤกษ์ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บต่างๆเพราะฉะนั้นต้องไปแก้ที่การมาเกิดถ้าไม่เกิดก็จะไม่มีแก่ไม่มีเจ็บไม่มีตายยันถ้าไม่อยากจะแก่จะเจ็บไม่อยากจะตายก็อย่ามาเกิดและการที่จะไม่เกิดก็ต้องประยุด กิเลสตัณหาความโลภความอยากต่างๆการจะเลิกความโลภความอยากต่างๆได้ก็ต้องปฏิบัติทานศีลภาวนาที่เทศไว้วันนี้ไปทําบุญทําทานทุกครั้งอยากจะไปเที่ยวเอาเงินไปเที่ยวไปทําบุญให้หมดเลยทุกครั้งอยากจะซื้อรถหรูหราเอาเงินไปบริจาคให้กับโรงพยาบาลสร้างตึกคนไข้ดีกว่าเอารถคาระยีสิบล้านมาขับทําไมคาระล้านมันก็ไปไหนมาไหนได้เหมือนกันใช่ไหม เอาอีกสิบเก้าล้านไปทำบุญดีกว่าอย่างนี้มันจะตัดความอยากได้แล้วต่อไปจะได้ไม่กลับมาเกิดเีนรถรหรูหรายี่สิบล้านเดี๋ยวแก่เปน็นอมตะกรมาพาไปว่าขับไม่ไดนะ้นอนมันเตียงติดเตียงนั่งนั่งวีลแชร์นั่งรถรถข็นคำถามต่อไปจากคุณพัชรวาด การที่ลูกพิจารณาธาตุสีในขณะที่นั่งภาวนานี้สามารถทำได้ใช่ไหมครับคือแล้วแต่เราภาวนาเพื่ออะไรถ้าเราทำภาวนาเพื่อเพื่อสงบเพื่อสมาธิเราไ ม, เาไม่เราไม่พิจารณาอะไรเราจะทำใจให้นิ่งอย่างเดียวถ้า ห, หยุดคิดโดยการใช้คำาบ ร, ริกรมพุโทโธพุโทโธพุทโธไปหรือการดูลมหายใจเข้าออกไป เราต้องการสมาธินะต้องการความสุขจากความสงบจากสมาธิแต่ถ้าเราต้องการปัญญาเนี่ยเราทําได้ตลอดเวลาไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนจะเดินจะยืนจะนั่งจะนอนคิดเรื่องตายรักคิดเรื่องอนิจจงทุกขังอนัตตาคิดได้ตลอดเวลาแล้วแต่เราว่าเราต้องการอะไรเพราะการปฏิบัติมันมีสองขั้นขั้นแรกเราต้องการทําใจให้สงบก่อนให้มีความสุขก่อนถ้าใจไม่มีความสุขความสงบแล้วมันพิจารณาทางธรรมไม่ได้ ก็ากเลมันจะมาคอยขวางอยู่คำถามต่อไปจากคุณวาสนาผมพิจารณาอาสุภะภาพเนื้อคนแล้วมาดูเนื้อสัตว์เนื้อวัวมีความรู้สึกว่าเหมือนกันครับเวลามาทานข้าวแล้วนึกเห็นภาพในใจก็รู้สึกไม่ค่อยดีเป็นแบบนี้จะมีผลเสียประการใดขอพระอาจารย์เมตตาชี้แนะด้วยครับคือการดูอสุภะนี้เพื่อระงับความ หลังับอารมณ์อารมณ์ทางเพศเราเวลาเห็นคนหน้าตาสวยงามหล่อเราล้วก็อยากจะไปไปร่วมหลับนอนกับเขา <Yeah. S 2> เหนถ้าเราอยากจะไม่ร่วมหลับนอนแล้วก็ต้องมองเข้าไปข้างใต้ข้างใต้ผิวหนังของร่างกายที่เราเห็นว่าสวยว่า ง, งามลรือหล่อเลา <Yeah. S 2> พอเราพาร่างกายออกพาท้องออกขึ้นมานี่เห็นตับไตไส้พุงเห็นอะไรต่าง อาการรุ่มหลงในความสวยงามของร่างกายมันก็จะหายไปการอารมณ์ก็หายไปอย่าไปเปรียบเทียบกับเนื้อสัตว์เดี๋ยวมันกินข้าวไม่ได้เข้าใจไหมนี่การพิจารณาไม่ได้เพื่อที่เราจะม า, มาไม่กินอาหารอาหารก็ต้องกินแต่สิ่งที่เราต้องการระงับจากการพิจารณาความไม่สวยงามของร่างกายก็เพื่อระงับอารมณ์ทางเพศเวล า, ามันเกิดขึ้นการอารมณ์ต่างหาะนั้น อย่าไปเปรียบเทียบกับเนื้อสัตว์นะเวลาดูสุภาพก็ดูดูร่างกายของคนไปดู่างไปดูไปดูภาพที่เขาถ่ายจากการชนสูตรศพนี้ศยงที่ยังไม่เน่าไม่เฟยยังยังเป็นศพใหม่แต่เขาต้องการชนสูตรเวลาเขาสอนนักศึกษาทางแพทย์เขาก็จะให้ผ่าวออดูดูข้างในว่าข้างภายใต้ผิวหนังของร่างกายนี้มีอะไรบ้างให้ดูแบบนั้น ม, มีหนังสือกายากตาสติไปสามารถดาวน์โหลดได้ในในเว็บของเราพาสุชาติ .com ก็มีให้โหลดได้แล้วก็มีมีภาพที่ของคนตายบ้างของของการผ่าศพ บ, บ้างอะไรงนี้มันก็จะทำให้เราหายหายลหลงไหลกับความสวยงามของทางร่างกายได้ม่อยากจะถามอะไรเลยดูปู้ยใกล้ใล่ใปากเลยนะ กับนวัตกรรมพระอาจารย์าาสุชาติค่ะพอดีมีคนฝากถามมาว่าถ้าอยากจะเหมือนแบบมีความที่อยากจะเป็นดารานักล่องนักแสดงอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเหมือนพอปฏิบัติไปมันควรจะลดละเลิกเนาะถ้าเรามีความอยากตรงเนี้ยค่ะมันจะทําให้เราแบบเป็นบาปหรือว่าตกนรกไหมอะคะพระอาจารย์อยากจะเป็นดาราใช่ค่ะแล้วทำไมเลยรวมถึงว่าเหมือนถ้าเราปฏิบัติไปควรจะลดละเลิกในสิ่งที่แบบเป็นราคางนี้หรือเปล่าคะ่ะก็ มันมันเรื่องราคาใช่ไหมเรื่องราคาก็ต้องควรจะละกันทุกคนไม่ว่าจะอาชีพไหนก็ตามอวย่งเว่าอาชีพดารามันอาจจะใกล้กับ อ, อาคาะมากกว่าก็ได้ก็ต้องพยายามถ้าอยากจะเลิกละราคาก็ต้องพิจารณาความไม่สวยงามของร่างกายบ้างือว่าเวลาเห็นใครสวยงามหลอเหลาก็ดูแล้วข้างใต้ผิวหนังเขามีอะไรบ้างหน้าเขาหล่อเราสวยงามแต่ มันแล้วอยู่ข้างข้างใต้หน้ามันมีอะไรเยอะเคยเห็นไหมของที่มันอยู่ภายใต้ผิวผิวหน้าเรานี่คืออะไรเนื้อเยือเ่อเลื อ, อ, อดไม่มีกระโหลกศรีรษะหรอนี้เอ่ตองดูกระโหลกศีรษะที่มันอยู่ภายใต้ผิวผิวหน้าดูว้าพยายามใช้ใช้ตาเอ<ม>็กซ์เรย์เวลาเขาหมออยากจะดูกระโหลกดูศีรษะดูโครงกระดูกเขาก็ต้องใช้เอ็กซ์เรย์ เราก็ต้องใช้เอ็กซเรย์ของพระพุทธเจ้าคือใช้ปัญญามาองทะลุเข้าไปใต้ผิวหนังก็<ม>ไปดูภาพกะโหลกศีรษะแล้วก็มาเอามาสวมใส่ในในในหน้าคนอีกทีหนึงหน้าคนก็เป็นเหมือนกับหน้ากาก<ม>หน้ากากยางที่เราเอามาสมวมครอบครอบกะโหลกศีรษะนี่ถ้าเราพยายามมองอย่างนี้เรื่อยๆต่อไปเราจะไม่มีความไม่มีการ ม, มารมณ์กระใคร สิ่งที่เราเห็นก็คือหนังเนื้อที่หุ้มคอกระโหลกศรีรษะนี่แต่เรามองไม่เห็นกะโหลกศรีรษะเราเห็นแต่แค่หนังกับเนื้อที่หุ้มคลออยู่ก็เลยไปรูมรมหลงกับความความสวยงามของเนื้อกับหนังทั่นนี่ถ้าเราไม่อยากจะมีราคานะก็ต้องพิจารณาสุภาษณอหรือดูทั้งตัวก็ได้โครกระดูกนี่มีทั้งทั้งร่างกายใช่ไหมยังมีหนังสือกายกตาสติเนี่เรี๋ยวนูไปเอาไปดู มันจะมีภาพเขาวาดคนแล้วก็มีโครงกระดูกที่ซ่อนอยู่ในร่างกายให้เห็นต่อไปเวลาเราเห็นร่างกายคนแล้วก็นึกถึงโครงกระดูกที่อยู่ในนั้นด้วยมันก็จะระ ง, งับการมาราคาได้อแต่ถ้าเรามองแต่ข้างนอกอ๋อมองแต่ผิวหนังมันก็สวยงามหล่อเหลากันทั้งนั้นแต่มองเข้าไปใต้ผิวหนังมันเห็นโครงกระดูกแห็นวิทยาศาสตรต่างๆมันก็จะคลายกามันลมได้ ขอบคุณค่ ะ, ะคำถามจากผู้ถามหน้ากุตินะครับอจอมราคะครองโลกแล้วจะปฏิบัติอย่างไรดีครับ้ก็ใช่สุภาทําลายมันไงต้องพิจารณาสุภาพิจารณาสรากศพพิจารณาการสางสิสองร่างกายมันไม่ได้สวยงามอย่างเดียวหรอก มันมีส่วนที่ไม่สวยงามด้วยแต่เราไม่ชอบมองมันแน่ขอโทษครับพอดีผมผมพูดผิดครับจอมจอมมารจะครองโลกแล้วครับจะปฏิบัติอย่างไรครับก็วายมันครองไปเราก็เอาธรรมะมาครองใจเราก็แล้วกันถ้าเรามีธรรมะครองใจเราจอ ม, มานก็เข้ามาครองใจเราไม่ได้มันครองใจของคนที่ที่ไม่มีธรรมะเท่านั้น วันนี่มีธรรมะก็เหมือนได้คนที่ได้ฉีดวัคซีนถ้าเราฉีดฉีดวัคซีนไว้เวลาในโรคระบาดโควิดสิบเก้ามาเราก็จะไม่ติดโรคแต่ถ้าเราไม่มีธรรมะเดี๋ยวก็ถูกมารมาครอบงําจิตใจเราทำให้เรากลายเป็นคนคนบาปกรรมใจบาปใจกรรมแต่ถ้าเรามีธรรมะเราก็จะเป็นคนใจบุญใจกุศลตลอดเวลาคําถามต่อไปจากคุณสุภาภรณ์ การนั่งสมาธิที่ถูกวิธีควรทำอย่างไรและจะมีผลตามมาคืออะไรครับก็ต้องมีสติไงนั่งสมาธิต้องมีสติกำกับใจอย่าปล่อยให้ใจไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เวลานั่งก็ให้บังคับใจให้ดูลมหายใจเข้าออกอย่างเดียวอย่าไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้าดูลมไม่ได้ก็ให้บริกรรมใถ้ท่องคำว่าพุโทโธพุโทโธไปภายในใจอย่านั่งเฉย พอถ้านั่งเฉยๆใจก็จะคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เดี๋ยวว่าเกิดความฟุ้งซ่านขึ้นมาก็จะนั่งต่อไปไม่ได้แต่ถ้ามีสติคอยกํากับควบคุมใจไม่ให้คิดเดี๋ยวใจก็จะค่อยๆนิ่งลงไปค่อยๆสงบลงไปแล้วก็จะเกิดความสุขขึ้นมาคำถามต่อไปจากคุณศรัทธาการนั่งสมาธิและการสวดมนต์เป็นการกระทาที่ได้บุญกุศลมากน้อยหรืออย่างไรครับ ก็ได้ได้ความสุขบุญกุศลก็คือความสุขใจความสุขใจก็มีเป็นระดับระดับขั้นที่หนึ่งก็ขั้นความสุขใจที่ได้จากการทําบุญทําทานแต่น้อยกว่าความสุขใจที่ได้รับจากการรักษาศีลการรักษาศีลก็น้อยกว่าความสุขใจที่ได้จากการนั่งสมาธิแล้วนเป็นระดับของการปฏิบัติมันแล้วก็มีความยากง่ายต่างกันทําทานมันง่ายกว่าการรักษาศีล รักษาศีลง่ายกว่าการนั่งสมาธิผลที่ได้รับอะไรได้มากน้อยต่างกันไปตามความยากง่ายคำถามต่อไปจากคุณพีการซื้อลอตเตอรี่เพื่อหวังถูกรางวัลเป็นบาปไหมครับถ้าบาปจะทำให้ไปขัดขวางการปฏิบัติของเราในด้านไหนไหมครับมันไม่เป็นบาปหรอกแต่มันเป็นอบา ย, ยมุขก็คือมันเป็นเป็นการกระทำที่อาจจะทำให้เหล่านี้ สิ้นเนื้อประดาตัวได้แล้วพอเราไม่มีเงินทองเราก็อาจจะต้องไปหาเงินทองโดยวิธีทุจริตก็คือไปลักขโมยไปช่อโกงไปทำคอร์รัปชันไปทำบาปต่อไปแต่ถ้าเราเก็บเงินไว้ไม่เอาไปซื้อลอตเตอรี่เราก็จะมีเงินทองพอใช้มันก็จะทำให้เราไม่เดือดร้อนที่จะต้องไปโกหกหลอกลวงไปขโมยเงินทองของคนอื่นมาดัางนการการเล่นการพนันนี้ หรือว่าเป็นการส่งเสริมให้เราไปทำบาปเพราะว่าเล่นไม่ช้าก็เร็วมันก็ต้องมันก็ต้องขาดทุนมันก็ต้องเงินหมดเงินไม่มีบางเงินไม่มีแต่ยังต้องใช้เงินอยู่มันก็ต้องไปหาเงินโดยวิธีทุจริตนี่หมายถึงคนที่เอาอาชีพซื้อลตเตอรี่เป็นอาชีพนะไม่ทำงานทำการเลยเอาแต่ว่าซื้อลตเตอรี่อย่างเดียวแระววหนึ่งมันก็ขาดทุนไม่มีเงินมันก็ไม่มีอาชีพอื่นต้องทำ หาเงินด้วยอาชีพอื่นไม่ได้มันก็ต้องไปหาเงินด้วยการลักขโมยไปช่อโกงงั้นอย่าไปเล่นถ้าซือ้อตรงี่พอหอมปากหอมคอที่ว่าทําบุญเสี่ยงโชคไปก็ไม่ไม่ถือว่าเป็นอบา ย, ยามุขอะไรซื้อใบ่สองใบเผื่อเผื่อบุญเก่ามันมีหาทางออกมาไม่ได้แล้วก็หาหาช่องให้มันออกมาเช่นวันนี้ใช่ไหมวันนี้ใครมีบุญใครมีบุญเก่าอยากให้มันออกมาก็ลองไปซื้อสักใบสองใบ แางสังเลขสองเลขดู <laughs> คำถามต่อไปจากคุณพันิตาหนูมีหลานอายุเกือบสิบขวบเรียนโรงเรียนนานาชาติเจ้าคะ่ะซึ่งไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับศาสนาพุทธเลยและหลานก็จะเบื่อทุกครั้งที่เข้าวัดและสวดมนต์เพราะไม่เข้าใจในความหมายไม่ทราบว่าพระอาจารย์มีคำแนะนำหรือมี YouTube Introduction ให้เด็กๆฟังเป็นภาษาอังกฤษไหมเจ้าคะ่ะ ก็อย่าไปเรียนในโรงเรียนนานาชาติไปเรียนทำไมโรงเรียนของเราดีๆไม่เรียนกันเรียนที่สอนคุณธรรมความดีงานต่างๆไปลงรหลกับความเจริญก้าวหน้าทางทางวัตถุกันเรียนโรงเรียนนานาชาติแล้วรู้ภาษาเวลาไปหางานก็จะได้งานดีๆเงินเดือนดีๆแต่ใจเป็นลิงซึ่งไปเรียนโรงเรียนที่เป็นสอนทางพุทธวิถีโรงเรียนทางศาสนาพุทธ สอนให้รู้จักคุณธรรมต่างๆมีสัมมาคารวะมีความกตัญญูกตเวที<ม>สร้างใจให้เป็นมนุษย์ให้เป็นเทวดามไม่ให้เป็นสัตว์เดรัจฉานโรงเรียนนานาชาตินี้ก็สอนแต่ทางวิธีหาเงินหาทองแต่ใจนี้เขาไม่ไม่สอนก็เลยปล่อยให้ใจเป็นเป็นสัตว์เดรัจฉานไปเป็นลิงเป็นอะไรไป<ม>แล้วเราก็ต้องเลือก เ, อาเราเราจะให้ลูกเราเป็นอะไร อยากจะให้ลูกเราเป็นสัตว์เดรัจฉานหรือว่าอยากจะให้ลูกเราเป็นมนุษย์หรือเป็นเทวดาเป็นคนที่มีศีลมีธรรมเราก็ต้องเรียกโรงเรียนเือกโรงเรียนให้เขาเรียนเท่นั้นเอง mm hmm. เพราะจะไปดู YouTube แค่ครัง้งสองครั้งมันไม่พอหรอกสนหรับเด็กมันต้องใช้เวลาเป็นปีๆ mm hmm. ตั้งแต่ปหนึ่งขึ้นไปถึงมม .6 นั่นนะเขาจะมีการสั่งสอน แต่เดี๋ยวนี้สมัยนี้ก็มีน้อยลงนะทางทางโรงเรียนของไทยเราก็ไปหลงตามตามต่างประเทศกันเน้นวิชาชีพมากกว่าเรื่องคุณธรรมศิลธรรมกันก mm ็เ hmm. หลือแต่โรงเรียนเก่าๆที่เขายังเน้นเรื <c oughs> ่องของคุณธรรมอยู <comunidad> ่คำถามต่อไปจากผู้ฝากถามครับถ้าเราเจริญสติให้มากจะสามารถป้องกันโรคอัลไซเมอร์ได้ไหมครับ น่าจะได้นะเพราะครูบาอาจารย์ท่านร้อยปีขึ้นไปท่านก็ยังยังความจำก็ยังดีอยู่พร mm hmm. ะที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชาวนี้ไม่มีองค์ไหนเป็นเอาไซม์เ์ยคำถามต่อไปจากคุณเอกเวลาที่นั่งสมาธิตัวสั่นบ้างตัวโยกบ้างบางครั้งก็น้ำตาไหลหรือลืมตาขึ้นเองครับจนทำให้หลุดสมาธิต้องทำอย่างไรครับ เพราะไม่มีสติไม่อยู่กับพุโทโธไม่อยู่กับลมหายใจในเวลานั่งสมาธิต้องอยู่กับลมหายใจเฝ้าดูลมหายใจหรือพุโทโธพุธโทโธไปอย่านั่งเฉยเฉยอย่าเพลอสติเ พ, พราะเพลอสติก็จะเกิดอาการต่างๆเหล่านี้ขึ้นมาคาถามต่อไปจากผู้ฝากถามด้านหน้ากุฏิครับถ้าประกอบอาชีพดารานักสแสดงนักร้องจะเสี่ยงทําให้ตกนรกและจะปฏิบัติธรรมไม่ขึ้น และเป็นบาปไหมครับก็มันเป็นอาชีพที่มันมันอยู่ใกล้กับเรื่องอบายามุขเนี่ยอาชีพตอนนี้ก็ร้องนําทําเพลงมันก็ร้องตามบาตามผับตามอะไรต่างๆเหล่านี้มันก็เป็นสิ่งที่มันทําให้เราเข้าใกล้เอาอาบายามุขดื่มชุลายามเมาแล้วก็มีมีการมีเพศสัมพันธ์กันง่ายอันเหล่านี้ มันก็จะทำให้เราไปทำบาปได้ง่ายถ้าเราไม่อยากอยากไปทำบาปก็เปลี่ยนอาชีพดีกว่าไปเป็นพยาบาลอย่างนี้ไปเป็นหมอเป็นครูอย่างนี้มันก็ไม่ต้องไปอยู่ใกล้กับพวกอาบายามุขต่างๆคำถามจากทาง YouTube ครับคุณอดาการปฏิบัติที่ได้ผลคือเราสามารถอยู่กับสภาวะ ทุกสิ่งทั้งทุกและสุขที่เกิดขึ้นกับกายและใจของเราได้โดยไม่ทุกข์กับมันคือสามารถวางอุเบกขาได้ในทุกอย่างไปตามลำดับของสั่งยศที่ละได้โยมเข้าใจถูกไหมครับถูกต้องแล้วเาแล้วหมดแล้วเลยโอเคหมดแล้วก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเราสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิจิตพิจารณาไปปฏิบัต เพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในทางยิ่งขึ้นไปเธอ